เกี่ยวกับเครื่องในพูดง่ายๆมันไม่ใช่เกี่ยวแต่นอกๆต้องใช้เวลาตรวจนานพระก็เลยไปด้วยกันสององค์ไปนอนอยู่ที่ตึกสงอาพาลโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นนี่เป็นคืนที่สองนะหลวงพ่อถามเมื่อกี้เป็นยังไงอาการพระป่วยแต่ส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าความดัน ความดันมันสูงผิดปกติตั้งที่พระอายุเพียง30สกว่าปีถ้าไม่รักษากันพร้อมที่เส้นเลือดจะแตกในสมองเป็นอามาพึกอามาพาดจริงไปใหญ่เนี่ยเพราะนั้นรีบรักษาจะต้นมือรักษาตรวจให้พบว่ามีอะไรผิดปกติในร่างกายพระก็เลยไปเฝ้ากันแต่วันนี้ก็พระ ทั้งหมด29บองค์นะพระย9สเัมมาแนหนึ่งพระลงมาฉันยี่หงดฉันสี่โรควันนะี้แต่นับทั้งพระไปป่วยด้วยก็ <c oughs> 31สบอดองคนะ์วันนี้เป็นวันที่หกกุมภาพันธ์พุทธศักราชสอง7ห้ายห้าสบเจ็ด้า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 แล้วก็นางคุชชะชุดชาชุดราที่เป็นตัวค่อมพาะกรรมล้อเล่นกับพระพเจกพุทธเจ้าแล้วก็เป็นคนใช้เพราะว่าใช้ให้พระอรหันต์ภิกษุณีหยิบของมาให้ตนเองแต่ว่าเป็นผู้มีปัญญาเพราะว่าได้ปนิบัติปฏิบัติ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 แต่คนนี้ทำไมทำไมจึงไม่ดีเลว็วอะไรก็เสียหายหมดเพราะอะไรพระพุทธเจ้าท่านก็รู้พระหันที่ท่านมีาณรัศนะท่านก็รู้เพราะว่ากรรมชั่วให้ผลคนนี้กรรมดีให้ผลในช่วงดีกรรมให้ผลพวกเราก็อย่าประมาทควรประกอบคุณงามความดีไปเรื่อย อย่าไปคิดทำกรรมชั่วถ้าว่าใครเขาตามพอมีฐานะสูงขึ้นมาเราก็คิดทำแต่กรรมชั่วกรรมชั่วจะให้ผลอย่างนางคู่ปรับของนางสามาวดีนางกติยานางสามาคันธยาคันธ ย, ยาเป็นเป็นอาคันธยาเป็นเป็นหลานแต่ตามไม่จริงในปัจจุบัน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 ที่เขาไปในท้องนาเขาไปทำธุระในในนอกบ้านท่นี้ก็พระพุธองก็บอกว่าพรามมีอะไรทำยังไงแต่นี้พรามเห็นพระพุทธเจ้าแล้วโอ้โหพระคุณนี้ทำไมสวยงามขนาดนี้ปริษาลักษณะเข้ากับตำราพราหมมทั้งหมดสมควรที่จะเป็นลูกเขยของเราลูกสาวของเราก็ไม่ใช่ย่อยงามที่สุดใน ในท้องถิ่นนี้อจากนั้นท่านอยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปบอกแม่บ้านกับลูกสาวมาหาใครเข้ามาคุยกันมาเจอกันพอเห็นแล้วก็ถูกชะตากรรมถูกตากันนะก็พาะเหตุไรก็เพราะว่าพราหมณ์คนนี้เคยเป็นพ่อของพระพุทธเจ้ามาตั้งห้ารอชาติติดต่อกันดังนั้นท่านก็เข้าไปเข้าไปบอกแม่บ้านกับกลูกสาวออกมา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 ก็เดินไปดูๆไปเห็นเห็นลอยพอเห็นลอยลอยเท้านางพรามมธีที่เป็นแม่บ้านของพรามโอ้อันนี้มันลอยเท้าอย่างนี้ตามตำราพราม์น่คือเป็นผู้หมดจดจากกิเลสไม่มีราคะเออเป็นผู้หมดกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วอันนี้คือบุคคลที่เหนือโลก เนี่ยตำราพราหมณ์เขบอกกันมาเป็นทอดๆมานะดังนี้นพราหมณ์เขบอกเอ๊ะผมก็ได้นัดท่านท่านส ม, มณะคนนั้นไว้ที่นี่นะจากนั้นพระองค์ก็เลยคลายฤทธิ์ก็เลยโอ้เดินออกมาพอเดินออกมาแล้วก็พราหมณ์าพราหม์ก็สองตายายก็บอกว่าท่านสั ม, มณะในลูกสาวของข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าก็จะขอมอบให้ให้กับท่านเป็นภรรยา เพราะผมสองตายายน่าจแก่แล้วสมบัติก็มีมากพอจงควรฐานะก็ไม่แพ้ใครในท้องถิ่นลักษณะอย่างนั้นะท่านมาครองเป็นฆราวาสซะ พ, ะพระพุทองค์บอกว่าดูก่อนพราหมณ์เราไม่ยินดีที่จะคลองฆลาวาสท่านก็เทศให้พราหมณ์สองตายายฟังเทศให้ฟังแบบสุดๆเลยแบบนั้นท่น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 อันนี้ท่านได้สาเร็จเป็นผ้านาคามีทั้งสองตาใหญ่เออแต่จากนั้นเอาเอาเนพาเราไม่สนใจหรอกเรื่องการมกิเลส ท, ทั้งหลายเออเราเบื่อมันตั้งแต่อยู่แต่ไหนแต่ไรมาแล้วเราชนะแล้วเรื่องการมกิเลส ท, ที่โค้นต้นโพทั้งกับมรรยายลักษณะไม่มีความเยื่อใยเอ่อจากนั้นพโนก็เอ่อหายพับแต่นีนพอนาง นางสาวมาคันธยาเนี่ยในคําหนึ่งในคําหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเทศให้พ่อแม่ตัวเองฟังบอกว่าเรื่องการมกิเลสเนี่ยเรามองเห็นเพศตรงข้ามผู้ใดก็ตามขนาดมือเราจะแตะเราก็ยังไม่ยังกลัวขยะขยงขนาดเท้าเราจะแตะเราก็ยังกลัวยัง ยังกลัวความเปรอะเปื้อนฮงไอ้คำนี้แหละเป็นคำที่นางสามาคณียานะโอ้โหสมณะองค์นี้เนี่ยถ้าไม่รักก็ไม่ว่าอะไรเดี๋ยวมาดูถูกถึงขนาดนี้อีกเราก็ไม่ใช่คนคนขี้ร้ายขี้เลเราก็เป็นหนึ่งในถิ่นนี้เหมือนกันทำไมสมณะองค์นี้ถึงพูดเยียดยามเราถึงขนาดนี้ แต่ตามไม่จริงเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้เหยียดยามบุคคลใดใครผู้หนึ่งแต่เป็นการเหยียดหย่ำในใจของแต่ละคนแต่ละคนไม่ว่าใครทั้งหมดถ้ายินดีในในเรื่องนี้แปลว่ามันเป็นเรื่องการมเมื่อกี้เป็นเรื่องเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารแต่นางนี้มองไปทางโลกสุดๆดเอาถ้าข้ามีโอกาสเมื่อไหร่ข้าจะต้องจัดการกับสมณะ โคดมท่านนี้เนี่ยแหละผูกอาคาตนะผูกอาคาตในพระพุทธเจ้าจากนั้นสองตายยายท่านก็เลยสาเร็จเป็นพระนาคามีจากนั้นท่านก็ไม่นานแล้วก็ละขันของท่านก็เข้าสู่พรมพรมพร ม, พร ม, พรมโลกพรมอวิหาอัตตาทุ ศ, ท ศ, ทศรัสรสเสียกรนิดถาพรมคือพรมพระนาคาเมียแต่ตอนนี้ท่านก็มอบลูกสาวให้กับอา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 แต่ท่้งเขาไม่ได้พูดถึงนางสามาคันธยาเนี่ยเป็นอะไรทําไมจึงมาผูกอาคาตพยาบาทจองเวรถึงขนาดนั้นนะเอพอต่อมาทางสามาคันธยาได้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทนท่นี่เพราะว่าเป็นผู้มีร่างกายสิทธสวยงดงามเขานายคัตยะเนี่ยเขเอามามอบให้พระยาอุเทนเบวเดงรับเป็นอัครมเหสี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 ด่าพระพุทธเจ้าคนนั่นอะเอาเงินจ้างเขาใครด่าพระพุทธเจ้าได้เอาจะให้รางวัลไะนะสมัยนั้นก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะจตทายาจูบลูกหลานนะจ้างคนด่าพระพุทธเจ้าด่าสิบคาพูดสิบประการนะที่คําด่าสันขาสรรหาคําพูดให้ด้วยนะอไออูดไอบัวไอควายไอหัวลน้นไอนาลก ไอ้สาลเลวเนี่แหละลักษณะจากนี่แหละคำด่าของเขาในสมัยนั้นดา่าพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ตั้งห้าร้อยเดินบินเทาดในเมืองพวกนี้ลุมด่าเหมือนกับหมาหมาไล่เหา่าเห่าคนลักษณะอย่างนั้นแหอะไปที่นี้นก็ลุมด่าพระสงฆ์ทั้งหลายผู้มีกิเลสอย่างพระ อ, อ น, นุนรับไม่ได้นยพระ อ, อนด้รับไม่ได้วพระพุทธองค์ กับเธอหนีไปอยู่เมืองอื่นเดอะพระพุทธเจ้าข่าคนด่าแล้วเกินเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ทุกข์ยากแล้วเลอะเกินเน่ยถึงอย่างลูกทุกข์ยากขอบินทาบาตแต่ก็ไม่น่าจะด่าถึงขนาดนี้ทําไมจึงด่าขนาดนี้พระองค์บอจะไปที่ไหนละอานอ น, น, นุนั่นแหละไปเมืองสาววัตถีนั่นแหะที่คนนับถือมากๆไปเห็นเขาด่าเราเน่ยถ้าต่อไปเมืองสาววัตถีด่าเลยจะไปเนี่ยไปราชคือหมือะ ถ้าข้าราชการขึ้เขาดา่าไปสาเกตเออโกสัมผีไปเรื่อยเมืองเขาที่ไม่ดา่านพระพุทธองค์บอกว่าอย่าเลย อ, อนุน์เรื่องมันเกิดที่ไหนควรจะให้มันดับอยู่ที่นั่นซะก่อนเนียค่อยไปถ้าไปอย่างนั้นแปลว่าไม่มีที่สุดสิ้นสุดไปแล้วเขาก็ด่าไปเรื่อยอย่างนั้น เ, เราตถาคตปราถนามาเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ถึงใครจะด่ากด็ด่าเถอะไม่เกินเจ็ดวันอนุนเดี๋ยวเรื่องเขาด่าจะหายเงียบไปอันนี้เขาเราปรารถนามาจากนี้เพราะนั้นไม่ต้องนั่นะให้อยู่ในความสงบพอถึงเจ็ดวันเขาก็หมดคำด่าเหมือนกันเงียบเก็บเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกลุ่มอุเชนีพญาอุเทนจากนั้นก็ น, นานก็ยังโมโหอยู่ให้อาของตนเอง เอาอาหารเอาไก่มาไก่ตายมาแปดตัวไก่เป็นมาสิบตัวแล้วก็ส่งให้นางสามาคันธยาเนี่ยไปทําอาหารถวายถวายพระเจ้าอุเทนเนี่ยนางสามาคันธิยาไปทําได้ยังไงเพราะไก่ไก่เป็นพระโสดาบันใช่ไหมนางบอกว่าทำไม่ได้ อ, อแล้วก็นี่เอาส่งไก่ตายไปให้เอาไปทําให้ส ม, มณะโคดม นางก็ทำในะยินดีทำไปถวายพระเอ่อกันน่นหละเห็นไหมพญาอุเทนว่าฟ้องพระสวามีของตนเองเอพอเป็นอัคคมเหศีสองคนน่นะสามาคันธยากับสามาวดีพระเจ้าอุเทนท่า น, นกใจหนักแน่นก็เฉยก็ไม่ไม่ว่าอะไรต่อไปก็หาเรื่องใสหาเอางูใสมีอะไรต่อมีอะไรผลที่สุกก็ให้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 อนั่งโต้สเสวยแล้วเธอเนี่ยนางสามากันธยาในกดดีใจว่าตัวเองประสบสําเร็จแล้วเธอเนี่ยพระเจ้าอุเทนบอโอ้เราคิดว่าเนี่ยที่เรื่องต่างๆที่เผาอราชสวังเนี่ยเราคิดว่าคนที่จงรักภักดีเราน่ะที่ทํำนี่นะคนที่จงรักภักดีรักเราเขาจึงทาอย่างนี้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 โผลคนมานักเลงคนะน่ะผลที่สุดพระเจ้ า, าเทนเ อ, อ๊ะอย่างนั้นเหรอผวนเาอาจับนะเออพราะว่าพระเจ้ า, าเทนเป็นธรรมนะี่ันตัวรสามาคันธิยะอสามาพอดีเนะี่ยเป็นคนเป็นผู้มีศีลธรรม เ, ออเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่เคยเห็นความแปลกแตกต่างพวเนอะรน์ก็จับพอจับจะเอาเรียกมาทั้งหมดตระกูลแต่ทีแรกไม่ใช่ อ, อพอไม่ได้จับเลย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 ไม่ลหลงไหลในเรื่องการม ก, กิเลสเพราะชาตินี้เราได้สําเร็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเราหมดจดจากกิเลสแล้วเราไม่เยื่อใ ย, ยแล้วในเรื่องทางโลกตอนนี้ก็นางตอนี้ก็ผูกพยาบาทที่บอกพระพุทธเจ้าไม่ขนาดเท้าก็ไม่อยากจะแตะเรื่องเพศตรงข้ามออกพรองค์ตัดอย่างนั้นก็เลยผูกอาฆาตจุดนี้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 ผู้ได้รับจดถามบรรดาศัก์อย่างนี้เพราะอไรอย่างพระพุทธเจ้าเหมือนกันเมื่อพระอนิสเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้ท่านก็ตั้งอัครสาวกองค์นี้เป็นสาวกข้างขวานะคื อ, อสารีบุตรอันนี้องค์นี้สาวกข้างซ้ายนะโมกขลาอันนี้นะพระอานนุ์เป็นผู้อุปถัมภ์จากนั้นทั้งตั้งอัครสาวกทั้งแปดสิบองค์นะอจิติมหาสาวก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 ชาตินี่เป็นชาติที่เขาจะได้เป็นอัระสาวกเราให้ตามบุญวาสนาบา ร, รมีที่เขาตั้งใจไว้ในอดีตเนี่ยแหะท่านมองในอดีตแต่คนปัจจุบันมองในปัจจุบันก็อิจฉ้ากันเพราะนั้นสิ่งบางสิ่งบางอย่างเป็นบางเรื่องบางราวมาันมาในอดีตอย่างพระโมคขาลาก็เหมือนกันเป็นอัครสาวกข้างซ้ายแต่พทในสุดถูกฆ่าตายถูกโจรฆ่าพระองค์ก็บอกว่าใช่อโมกคลา เขาตั้งความปรารถนาอยากจะเป็นอ克拉สาวกเขาก็ได้เป็นอ克拉สาวกข้างซ้ายคู่เคียงกับสารีบุตรแต่กรรมของเขาในอดีตเขาเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่มาก่อนเพราะฉะนั้นกรรมตัวนั้นะเขาเลยถูกฆ่ามาตลอดแต่ถ้าว่าเขายังไม่พ้นทุกโมกคลา ย, ยังไม่หมดกิเลสในชาตินี้ถ้าเกิดพบหน้าชาติหน้าโมกคลายก็ยังจะถูกฆ่าไปอีกอยู่ะนี่แหละอันนี้ก็คือ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 แต่วันนี้หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวปัจจุบันนักกรรมการกระทำในปัจจุบันให้ผลเหมือนกันนะบาปเหมือนกันนะเห็นโทษเหมือนกันนะคนทำปัจจุบันนักกรรมคือเข้าคุกเข้าตารางนะแต่ว่าอดีตกรรมก็ให้ผลมาใครเข้าว่าตกตกหล่นหล่นไม่ราบรื่นในชีวิตอันรับพอนอนโมธนาให้พอ